ขอความจเจริญในธรรมจุมมีแต่ท่านผูกฟังทั้งหลายแต่รุมะพทธิยานกำลังนำเสนอเรื่องอริยสัจมาถึงช่วงที่เราเรียกว่าสมุทัยสัจอันที่จริงสมุทัยสัจนั้นก็หมายถึงสัพเพกิเลสทั้งหลายจะเรียกชื่ อ, อยังไงก็ได้ในพระธรรมเทศนาที่ทรงจแนกแสดงไว้ในชื่ออื่นๆก็จะมีอยู่เป็นนั้นมาก แต่ยามใดที่ทรงแสดงโดยโครงสร้างของอริยสัจจะมีข้อความเหมือนกันคือทรงแสดงไปที่ตัณหาทั้งสามประการอันจริงตัณหาโดยเนื้อหาสาระมันก็นก็คือเรื่องของโลโกรธหลงนั่นเองให้พงสังเกตว่าการมาตัณหาก็คือโลภจะอยากได้อยากมีอยากเป็น พูดเทียบเคียงง่ายๆว่าการมตราน่ะคืออยากได้อยากได้สิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งเพราะว่าตัณหาก็อยากเป็นอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างน้นอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของครอบครองรูปเสียงกลิ่นรสผธภจิตใจเราไปกำหนดว่าหน้าใคร่นาปรารถนาหน้าพอใจ บางอย่างเราก็เกิดไม่ชอบเรียกว่าวิปวตัญหาเป็นความรู้สึกประเภทที่ผลักออกคือไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นได้แล้วมีแล้วเป็นแล้วก็ต้องการจะเปลี่ยนแปลงคือไม่ต้องการจะได้อย่างนั้นไม่ต้องการจะเป็นอย่างนั้นไม่ต้องการจะมีอย่างนั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นอาการของโทสะ แสดงว่าเป็นโลภะกะทุษะที่เป็นอาการเด่นแต่เนี่ยธรมว่าเกิดมาจากอะไรก็ต่อไปเกิดมาจากโมหะแล้วนั้นเวลาทรงแสดงลักษณะนี้ในกรณีที่พูดถึงอริยสัจนะครพูดถึงสมุทยัยสัจจะจะทรงแสดงลักษณะสามประการตลอดไม่ว่าเราจะเจอในที่ใดก็ตามนะจะเจอว่าอาการของ ตัณหาทั้งสามประการนั้นก็คือหนึ่งปโนปวิกาคือเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความมีความเป็นที่ต่อเนื่องกันไปอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้นน้นแล้วก็อยากได้เรื่อยๆไปเช่นสมมติว่าเราอยากอยากได้รถตัวรถนะเป็นวัตถุกรามคือสิ่งที่เราอยากได้แล้วเมื่อเราครอบครองเป็นเจ้าของมันก็เป็นภาวะตัณหาคืออยากเป็นเจ้าของรถ พออยากอยากเป็นเจ้าของรถเราก็ได้เป็นตามที่เราต้องการต่อไปก็อยากจะตกแต่งอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอะไรก็ว่ากันไปเยอะแยะไปหมดแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะอยากเปลี่ยนตรงนั้นเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตุกโน้นก็แสดงว่าทำไปแล้วมันก็ไม่ชอบอยากจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนเนี่ยที่จริงมันก็คืออยากได้อย่างอื่นต่อก็ แ, แสดงว่าใจมันก็หมุนวน อยากได้อย่างมีอยากเป็นก็ก่อให้เกิดเป็นพบเป็นชาติที่ประนีตอยากบังเกิดในพบชาติต่างๆที่ตนเห็นว่าประนีตขึ้นไปมีการแสดงเรื่องสวรรค์เรื่องวิมานเรื่องเทพประุเทพติดาแล้วก็ปรารถนาที่จะได้จะเป็นจะมีอย่างนั้นทีนี้พอแสดงมากๆเนี่ยก็ปรากฏว่ามันเกิดเทียบเคียง จุดใดที่มีจุดเด่นมากกว่าตนก็ต้องการเป็นอย่างนั้นต้องการมีอย่างนั้นต้องการได้อย่างนั้นตลอดถึงอยากเกิดในภพชาติที่มีความประณีตขึ้นไปเพราะในแวดวงชีวิตจิตใจของมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่มันก็ตกเป็นทาาของตัณหาเพราะว่าอารมณ์ที่เราสัมผัสในแต่ละวัน แต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้นนสุดลมได้ลิบได้จับต้องก็ตามมันเป็นเรื่องของการกระตุ้นเร่งเร้าให้เกิดความกำหนัดเพื่อเพลิพนยินดีต้องการปรารถนาเพื่อเป็นเจ้าข้าเจ้าของครอบครองสิ่งเหล่านั้นถ้าได้มันก็อยากได้ต่อทาไมได้มันก็เกิดเป็นโศกสะเกิดเกิดปุถุสลายทั้งหมดเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากใจที่เรามีโมหะ หรือความโง่หรือความเขาหรือความหลงก็ตามเราจะแปลยังไงก็ได้เพรอะไรเพราะว่ากนทําความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราอยากได้ไปมากมายยังไงก็ทำนั้นน่ะแล้วก็จบลงที่เราต้องตายไปแต่ว่าเนื่องจากปัญญาเรามีไม่มากพอที่จะไปคิดอะไรได้ลึกซึ้งขนาดนั้นคนส่วนใหญ่ก็ไม่เคยคิดอะ คือต้องการจะมุ่งตอบสนองความต้องการของตัวเองเป็นหลักและในสุดใครก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของตนให้เต็มที่เราต้องการได้นะแะเราก็ตายทีนี้ในกรณีของอารมณ์เหล่านั้นนพะอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะเพลิดเพลินยิ่งยิ่งขึ้นในอารมณ์เหล่านั้น ก็จิตเครียกว่าจิ ต, จตสหระรคตผูกพันด้วยสิ่งที่เราเพลิดเพลินเราอยู่ด้วยอะไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับหยาบกลางละเอียดหรือประนีตอะไรกนะ็ไดแต่ในวัตถุการมทั้งหลายเนี่ยบางทีมันเป็นศินละปะนะมันเป็นศินละปะเป็นประติมากรรมเป็นวิจิตศิลป์เป็นบระนีตศิลป์แล้วเราก็เพลิดเพลินชื่นชมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นอาการของการาตัญหา จิตมันก็ปัวพันหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ตาตาตตราพินันดินีคือพเพลิดเพลินยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนมีกรอบที่จะกําหนดและในสุดมันก็กลายเป็นการไขว่คว้าไขว่คว้าแล้วก็วางขว่คว้าต่อไปแล้วก็วางแล้วไขว่ค้าต่อไปบางทีท่านอุปมาให้เห็นว่า มันเหมือนกับวานอนที่วิ่งไปในต้นไม้ว้าแล้วก็ปล่อยว้าแล้วก็ปล่อยแกก็วิ่งไปได้เรื่อยแลว้วก็ท่านอุปมาอย่างหนึ่งชื่อนกเรียกว่านกไมฮักกะแล้วถ้าแปลจริงๆก็แปลว่าของฉันนะฮะถ้าแปลสำนวนหลวงพ่อพุทธทาสก็แปลว่าตัวกูของกูก็ไม่หังก็คือของฉันของเราของอะไรเนะี่ย เราถึงของกูแล้วจับตรงไหนเราจะมีความรู้สึกอย่างนั้นที่มันก็ขำเกิดบางทีนี่ขำนะฮะเรานั่งรถเรือนั่งเครื่องบินอะไรก็ตามเขาก็จัดที่เรานะี่ยเพื่อนมาเขาเปลี่ยนเนี่ยไม่ยอมเลยนะไปยึดถือเป็นของเราทาั้งๆที่เรานั่งสมมติเรานั่งกรุงเทพไปเชียงใหม่เนึ่ยว่าห้าสิบ้านาทีแั้วเนี่ยไม่ได้ไกลเกลืออะไร แต่ว่าไปอุปท า, านไปยึดติดทําเป็นของเราแล้วเจ้าข้าเจ้าของครอบครองไมย่ยอมให้คนอื่นเขาสับเปลี่ยนเขาแรกที่นั่งสามมารแรกจะเป็นอะไรไหมมันก็ไม่เป็นอะไรขึ้นมาเราก็มีที่นั่งหนึ่งที่เขาก็มีที่นั่งหนึ่งที่ก็เท่านั้นเองแต่นั่นมนเป็นการสอนให้เห็นทังเรื่องตัณหาอุปท า, านที่มีอยู่ภายใ น, ในใจิตใจของคน แล้วตัณหาเราเนี้ยมันจนถึงจุดหนึ่งเร็วตัณหาชเนติปุริสังคือตัณหาในอย่างชนในเกิดหมายความอาการที่เราเกิดมาเนี่ยหนึ่งก็เพราะใจเรามีตัณหาในตัวเรานี่มีตัณหาแล้วก็ไปผสมผสานกับพ่อแม่ซึ่งก็มีตัณหาอีกอแต่พ่อแม่ไม่มีตัณหาเรามีตัณหาอย่างเดียวก็ไม่เกิดหรอกมันก็เกิดด้วยกันก็แสดงมาเกิดด้วยตัณหาของบุคคลทั้งสองฝ่าย แต่เราหมดตัณหาเราก็ไม่เกิดแม่พ่อแม่เราจะมีตัณหากา็ตามเราก็ไม่เกิดแต่จับตัณหามันก็นําไปสู่ปัญหาสารพัดที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเนี่ยเกิบางครั้งบางคราวเราเจอปัญหาที่เจ้าบ้านก็จบตามเนี่ยเกิดบางทีเราก็ไม่เนื้กว่าเอ๊ปัญหาอย่างนี้คือไม่น่าจะเกิด ว่าน่าจะคิดนะคือว่ามันมีบทเรียนอะไรอยู่เยอะเลยในชีวิตของคนเราเนี่ยเช่สมมติผู้ชายก็ชอบมีปัญญาหลายๆคนเนี่ยมันได้เลยขึ้นมามันเสริมเพิ่มทุกเพิ่มปัญหาเพิ่มความวิตกกังวลเพิ่มความหวาดระแวง เ, เจอแต่ความขัดแย้งการประชดประชันการเดียดฉันกันอะไรแต่ละมันสารพัด คือเราเห็นว่าทุกข์เนี่ยมันมากกว่าสุขแต่พอถามเขาเนี่เขารู้สึกว่าสุขมันมากกว่าทุกข์าันมุมมองในเรื่องเดียวกันเนี่ยเพราะถ้าตัณหามันมากแล้วเนี่ยมันจะหน้า ม, มืดมันจะไม่มองได้เหตุผลตรงเองก่อนอนได้ไปในที่หนึ่งเกนคนก็ตกปลาแลีว ก, ก็แนะให้คนก็ดู เพราะเนี้ยปลาแต่ว่าวันนั้นไม่เห็นปลาละน้ำมันไม่มไม่ใสเดินผ่านไปก็บอกว่าเนี่ยปลาที่จริงเนี่ยคือถ้าแกมีปัญญาเนี่ยแกจะไม่กินเหยื่อกินสัญชาตญาณของการระแวงไพ่เนี่ยแกไม่กินเหยื่อเหมือนคนเราเนี่ยถ้าหากว่เรามีปัญญามากพอเนะี่ยจะไม่หุบเหยื่อที่เขาล่อด้วยวิธีการต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราลองสังเกตเราจะเห็นว่า ปลาบางตัวในวี่วรี่มาเลยเจอเหยื่อโคกุบเลยแล้วคนทั้ท้ายตัวเองไม่ได้กินนะฮะเบ็ดเป็นเกีย่ยวเกีย่ยวเกีย่ยวปากตัวเองสก่อนปลาบางตัวเนี่ยมาถึงก็คุมความอยากไว้มาอยู่แต่ก็มีปัญญากํากับขอสมควรมันก็เหมือนชีวิตของคนเราส่วนใหญ่นะฮะวันก่อนนี่มีใครเล่าฟังว่า ปลาปักเป้าเนี่ยปลาปักเป้าในญี่ปุ่นเป็นอาหาร า, ารเลิศรสเขานะฮะเป็นอาหารที่เขาชอบแล้วกินกันมาแล้วพูดถึงว่าคนไทยชาวประมงเนี่ยกินปักเป้าแล้วก็ตายในก็แสดงให้เห็นว่าไอ้ความอยากเนี่ยมันมีความอยากกินปักเป้าเนี่ยมันมีแต่คนกลุ่มหนึ่งกินแล้วตายเนี่ยคือไม่รู้ว่าตรงไหนมันเป็นอันตราย ตรงไหนไม่เป็นอันตรายก็แสดงว่าการที่คนญี่ปุ่นก็กินปลาปักเป้ากันเนี่ยก็หมายความว่าถ้าเอาจุดที่เป็นอันตรายออกคนก็กินได้เป็นอาหารที่ขึ้นพัตาคาลทีเดียวเนี่ยดังนั้นตรงนี้ยมันก็ทําให้เห็นปลาเหยื่อชนิดหนึ่งที่มาถึงเจอเหยื่อแล้วก็อยากจะกินแต่ก็รู้ว่ามันเป็นอันตราย พยายามตอดเล็กตอดน้อยไปเรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดเธอก็ได้กินเหยื่อโดยเบ็ดไม่ได้เกี่ยวเธอเกี่ยงแต่ว่าชีวิตมันเสี่ยงชีวิตแนวเนี้ยคนที่จริงก็เสี่ยงเยอะเทิงฟังเคยได้ข่าวนะฟังข่าวเมื่อคืนวันที่สิบสิบแปดสิบเจ็ดเนี่ยวันในเทศกาลสงกรานจากเที่ยงคืนวันที่สิบเอ็ด ถึงตอนเย็นวันที่สิบเจ็ดคนเกิดอุบัติเหตุตายไปตั้งเจ็ดร้อยกว่าคนสแสดงว่าชั่วโมงหนึ่งเนี่ยตายสี่คนแล้วก็บาดเจ็บถึงโอ้โหไม่น่าเชื่อเจ็ดมือตกว่าคนนั่นคือสแสดงว่ามันขาดการบัญญับัญรยังขาดการควบคุม การแข่งขัานะอยากเอาชนะอยากจะแข่งขันอยากจะแส ด, แดงความสามารถกันตัวเองบางทีก็นั่งไปในรถเนี่ยไปเจอเด็กมันถีบจักรยานแล้วมันนอนบนจักรยานนอนคว่ำบนจักรยานเหยียดเท้าเลยนะจัแผนไปไอรอดมาได้มันก็บุญแหละแต่มันเสี่ยงทำอะไรขนาดนั้นแหละ มันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานั้นเราเห็นอาการของโมหะกับอาการของโลภะเถิงตาการอวดต้องการเบ่งต้องการโชว์ตัวเองเห็นว่ามีความฉลาดมีความสามารถเป็นพิเศษแต่ว่าถามมันคุ้มกันไหมกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันก็ไม่คุ้มอะแต่ทำไมไม่คิดล่ะปัญญามันน้อยไปมันไม่ค่อยคิดไม่เคยคิดโดยเหตุด้วยผลได้เลก็ถือว่ามากนะปีนี้มากไป แต่ยังรู้สึกรำคาญ ร, รำคาญเรื่องวันจุดนี่มันหยุดอะไรกันทั้งห้าวันทำไมทาไมเอาขนาดแค่สี่วันนี่ก็เยอะแล้วนะฮะมันเราสูญเสียเวลาเราแก่ไปงานการก็ไม่ได้ทำอะไรกลับบ้านเดินทางเสียเสียเงินเสียทองบางคน มีเด็กรู้จักกันก็มีโรงพิมพ์พก็บอลูกน้องที่หนีกับป้ากันไปเนี่ยคนเงินไม่มากไปหกคนหกพันเจ็ดพันอย่าเดินทางไกลโดยเงินขนาดนั้นที่จริงมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อค่าใช้จ่ายมันเยอะและเวลามันเยอะในสุดก็จะกลับมาโผเหมโด ด, โดดเด ม, มาโดยไม่มีเงินเหลืออะไรแต่คนก็ยังนิยมที่จะเป็นอย่างนั้น นั่นแสดงให้เห็นนะว่าตัณหากับปัญหานี่เขาอยู่ด้วยกันในช่วงใดขณะใดตัณหามันมากก็ปัญหาจะตามมาแยะในช่วงใดขณะใดที่ตัณหามันลดลงปัญหามันก็ลดลงในช่วงใดขณะใดที่เราไม่มีตัณหาคือแม้จะมีนะะแต่เราคุมไม่ได้ คือไม่ปล่อยมันกําเริบไม่รู้อํานาจแก่อารมณ์ที่บังเกิดขึ้นแล้วก็ตัดปัญหาลงไปได้นะอย่างปลายตัวหนึ่งเนี่ยแกอาจจะไหว้วนแล้วก็ไม่มั่นใจว่ากินได้และกินไม่ได้ก็ตัดสินใจไม่กินก็ไหว้ออกไปจากที่นั้นแกก็ปลอดภยัยปลอดภยัยปลอดอันตรายปัญหาในบ้านในเมืองเราเนี่ยถ้าเราดูให้ดีว่า ลักษณะทางตัณหาอันนี้ไม่เยอะเพราะว่าพอมานะคือคือส่วนใหม่ส่วนใหญ่ก็จะไปได้แก่ตัณหามานะทิชชีเนี่ยถือว่าเราก็เป็นอย่างนั้นเราก็หนึ่งเหมือนกันคนนั้นก็กินอย่างนั้นคนนั้นก็อยู่อย่างนั้นคนคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นคนอื่นนั้นก็แต่งตัวอย่างนั้นเราก็หนึ่งเหมือนกันนะเห็นว่ามานะถือตัวรู้สึกว่าเราก็เป็นเราก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนนั้ แล้วก็เกิดทิฏฐิก็เป็นตัวเป็นตนขึ้นตัวงั้นพวกพวกนี้เขาจะเชื่อมโยงถึงกันแลสุดมันก็กะตุน้นกระตุ้นตัณหากระตุ้นมานะกระตุ้นทิฏฐิแรงมากยิ่งขึ้นพอถึงจุดหนึ่งมันก็เพลินไปเรื่อยแล้วก็คว้าไปเรืเร่อยจนในที่สุดหาจุดที่เรียกว่าเมื่อไรจะพอละเมื่อไรจะอิ่มละเมื่อไรจะจุดมันก็หาคำตอบไม่ได้ วันตัณหาเนี่ยท่านจึงสอนให้บรรเทาลดความรุนแรงของความรู้สึกไม่ได้หมายความว่าเราหมดตัณหาหรอกแต่ทํายังไงว่าให้มันลดลงมาหน่อยอย่าให้มันถึงก็ตกเป็นท่ า, าตัณหามากเกินไปก็วันก่อนเนี่ไปอบรมพระใหม่นักเรียนในเรืออากาศจะทำปัญหาเรื่องใ <c oughs> คุ้มทองอะไรที่เหมือนการ ก็ขำๆมันนะฮะแต่ก็สงสารบอกว่ามันมันต้องคิดได้เยอะนะฮะคือเราต้องนึกว่าทองนี่ต้องเอามาจากไหนได้ต่ก่อนทองขนาดเป็นตันๆเนี่ยมันจะเล่นนะบรรทุกร ถ, รถรถไฟไปทีนี้การบรรทุกรถไฟเนี่ยคุณต้องนึกว่ารถไฟเนี่ยมันไปได้แรงแล้วก็ทำไมว่ามันมีหินมาหึ้มาฝางอยู่ล่ะ แล้วรถไฟมันเข้าไปได้ไงคือถ้ารถไฟมันเข้าไปเนี่ยต้องเป็นหินธรรมดาในหินที่ถูกระเบิดนี่แหละคนก็ยกไปวางได้แต่ไม่ใช่หินภูเขาอย่างนั้นเพราะมันไม่มีเหตุผลในตัวของมันแต่ว่าตัณหาเนี่ยมันก็มีโมหะมันปิดบังเหตุผลสติปัญญาเพราคนไม่คิด เพราถไฟเนี่ยมันต้องมีทางนะมีทางนี่ก่อนจะถึงนี่มันต้องมีทางเลยเราเข้าไปได้นะก็แสดงว่าพื้นที่ที่รถไฟเข้าไปได้เนะี่ยอย่าลืมนะมันสูงนะสูงแล้วก็ใหญ่เราต้องขวรมันต้องคิดได้หลายชั้นเราพยายามอธิบายให้คิดเป็นเปลอกเปล่าบอกว่าไม่ได้อ่านข่าวอนะอย่างก็พลาดหัวก็ไม่สนใจอ่านแล้วว่าการทำความจริงอะมาก็มีคนมาบอกอะไรให้เยอะเรื่องแบบนี้ เราก็เฉยๆบอกสมบัติไปเจ้าตากศีนตั้งสองถามแห่งไเนี่ยก็บอกมีคนมาล่าต่างหลายปีเราก็นั่งฟังเฉยๆก็ไม่หวาดเลยในขาดคอเขาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ว่าเราต้องมองถึงเหตุผลยุคสมัยตรงนั้นเราเป็นหนี้เมืองจีนเยอะหนี้ค้าจีนเยอะท่านเดาทองมาจากไหนมันยุคสร้างบ้านแปลงเมืองยุคมันถูกกรุงมนถูกเผามา แล้วก็อยู่อยู่ในยุค ข, ของการกู้ชาติเดี๋ยเงินมาเก็บไว้ส่วนตัวได้ยังไงมันก็ต้องนึกถึงอย่างนั้นเด้คนสละหมดอย่างนั้นน่จะเอาเงินไปกักกู้ตัวไว้เป็นผุผลประโยชน์ส่วนตัวมันก็มันเป็นไปไม่ได้ต่อหน้าเรื่องความคิดเนี่ยแต่เนื่องจากมันมีโมหะมันจะปิดบังเหตุผลสติปัญญาก็ทําให้มนุษย์ไม่คยได้คิดเรื่องว่าเรื่องถ้าเราคิดแล้วเนี่ยแล้วก็นั่งซื้อพิมพ์ก็ชอบเล่นข่าวอย่างนี้ด้วย ว่าจริงๆอ่ะนะข่าวสร้างสรารเงี้ยไม่ค่ยชอบลงนะยังนึกเสียดายบางทีโอ้โหมันเป็นสื่อที่บังคับซื้อนะฮะแกนึกอยากขายแปดบาทแกขึ้นมาเดือดแล้วเราก็ต้องซื้อแล้วเราก็ไม่รู้ข้างในมีอะไรบางทีที่กุฏิหนังสือพิมพ์สองสามฉบับเปิดดูไม่รู้จะอ่านตรงไหนไม่อ่านทําอะไรเปริดดูก็จกเปิดทิ้งไว้อย่างเรี่ยมเลยนะจริงๆเอาไปขายต่ อ, ตอได้เลย นานๆจะไปเจอที่มันเรื่องมันควรจะอ่านเนี่ยควรจะ อ, ะอ่านและอ่านแล้วมันรู้สึกว่าได้ประโยชน์เพราะแนวตัวนี้มันจะไม่ค่อยเจอข่าวอย่างนี้ไม่ใช่ข่าวสร้างสรรค์นในไหลพูดเป็นตุเป็นตะแล้วก็ผลท้ายกับมาวิพาก์วิจาร์เองตัวเองนําเสนอเองเนะฮะอันนี้คือสิ่งที่สแสดงเห็นเรื่องโมหะที่มีอยู่ภายในใจิตใจมนุษย์ เพราะอะไรเพราะมันก็ตัณหานะคืออยากได้นะคือคนในชอบตื่นเต้นชอบตื่นเต้นในข่าวที่ตื่นเต้นทั้งหลายเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยตื่นเต้นเขาก็ชอบซื้อพิมพ์เขาก็มียอดพิมพ์เพิ่มขึ้นเขาก็ได้เงินได้ทองแต่เราก็เห็นอาการอย่างหนึ่งว่าเนี่ยที่จริงมันคือกระแสของตัณหากระแสของตัณหาแล้วมันก็สร้างปัญหาแล้วคนก็ คือถ้าไปหลงไหลได้ปลึกมกับเรื่องเหล่านี้แล้วก็ทําให้เอาจริงก็จางบางทีก็ต้องเดินทางไปดูตำ น, นานแบบนี้มันมีเยอะเลยนะแต่เราจะไปยึดถือในแนวเรื่องแบบอย่างนี้คือต้องคิดว่ามันเป็นระบบอะทำยังไงมันคิดว่าเป็นระบบมันมีกฎเกณฑ์เราต้องไม่ควรลืมนะว่าตอนญี่ปุ่น คุม พ, พวกเฉลยไปสร้างสะพานข้ามแม่น้ําแควเนี่ยมันใครล่ะแล้วเขาเจะเอาเงินมาจากไหนอะ่ะเขาก็ทํางานเดี๋ยวตอนนั้นน่ไปผลเงินมาจากไหนแล้วก็ตอนที่เขาถูกสร้างสะพานเองยิ่งแล้วใหญ่เลยอ่นะก็าก็ยากจนขัดสนนาฐาน่าเอ็นดูเพราะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้เหตุการณ์ เสร็จสงครามโลกครั้งที่สองหรือปลายสงครามโลกครั้งที่สองก็จะเข้าใจนะต่ะเข้าใจเหตุผลต่างๆ แ, แต่พอเราโลกขึ้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีความคิดมันจะปิดบางเหตุผลตติปัญญาเอาไว้มันจะลืมแบบปลาตัวแรกที่ไปฮุบเยื่อเนี่ยถ้าไม่เกิดความโลภอันนั้นคือตัณหามันจัดละพระเจ้ายัางทรงแสดงสั่งสอนว่าคนที่เป็นธาตุปัดตัญหาเนี่ยจะเดือดรอน เพหลักการสําคัญก็คือว่าเราก็คงไปทําลายตัณหาหมดสิ้นไม่ได้นะฮะแต่ว่าต้องลดลงไปหน่อยอย่าให้ตัณหาผลักดันจนเกิดปัญหาเช่นว่ามีตัณหาจะถึงคุมไม่อยู่แล้วไปคอรัปชั่นไปรักขโมยเป็นถกชิงไปวิ่งราวไปเสพจา บ, บ้าอะไรอะไรเนี่ยมันเป็นอาการของตัณหาต่างสังคมเราถ้าลดกระแสตัณหาลงไป การทำลายล้างต่างๆหรือว่าการเอารัดเราเปรียบกันตลอดถึงขโมยขจรคอรับชั่นคงกินทั้งหลายนี่มันจะลดลงไปเพราะพวกนี้ที่จริงมันเป็นเหตุของทุกข์ที่เห็นกัน จ, จ, จัดจัลระตอนใดก็ตามที่คนเขาแสดงตัญหามามากๆเนี่ยพอถึงตรงนั้นปัญหาต่างๆก็จะติดตามมาดังนั้น คนที่ตกคงเป็นธาตุของตันหาในย่อมเดือดร้อนแล้วกษัตริย์โลกเราเนี่ยไม่สามารถจะตอบสนองได้นะให้รู้จักเต็มรู้จักอิ่มรู้จักพอเพราะว่าแม่น้ําเนี่ยเสมอด้วยตันหาไม่มีคือแม่น้ําก็เต็มได้นะก็เต็มได้แต่วตันหานั้นไม่มีโอกาสที่จะเต็มจะอิ่มจะพอทุกฟังทั้งหลาย แต่หพอ โ, โิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาหนึ่งเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไปบูรณนธรรมจุงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี